30การแก้กรรมของศาสนาพุทธที่สามมาที่ที่นั่นคือทุกกรรมกิริยาของเราเราจะต้องภาคเพียรเรียนรู้ฝึกฝนการกาหนดรู้สัญญาของตนของตนแล้วแก้การกาหนดรู้ของตนให้พ้นสัญญาที่วิปลาสมาแต่ก่อนที่เป็นปุถุชน จึงได้สั่งสมผลทำให้จิตจางคลายจากจิตวิปาลาสกระทั่งเปลี่ยนจากคนจิตวิปลาสเป็นคนผู้มีจิตใจเป็นอาริยชนและที่สุดเป็นอรหันต์ได้ชานี้เองคือการแก้กรรมที่สา ม, มาทิฏฐิของาศาสนาพุทธ อย่าโตกใจเลยที่คนปุถุชนทุกคนก็คือคนจิตวิปลาสทุกคนนั่นแหละเพราะยังเป็นคนยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในประมาทสัตย์จะมาก่อนทั้งนั้นกล่าวคือยังมีสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฐิวิปลาสอยู่จริงๆทั้งสิน้น เพราะยังเป็นผู้มีจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนสิ่งไม่น่าพึงใจอสุภะว่าน่าพึงใจสุภะตามโลกีอยู่ทั้งสิ้นพระไตรปิฎก เล่ม21ข้อ49ต่อเมื่อได้สมมาทิฐิีเป็นเบื้องต้นแล้วเจิงจะได้ปฏิบัติแก้ไขสัญญาหรือความกำหนดหมายจนกระทั่งที่สุดจิตใจพลวิปลาชผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกรรมการกระทา ที่เป็นกายกรรมวาจีกรรมมนโนกรรมทั้งในขณะนึกคิดสังกับปะในขณะพูดวาจาในขณะมีการกระทำทุกอย่างกรรมมันตะและในขณะทำการงานอาชีพของตนอยู่อาชีวะซึ่งล้วนคือกรรมที่ผู้เป็นชาวพุทธ จะต้องสังวรตนปฏิบัติกรรมให้เจริญพัฒนาเป็นอริยธรรมจึงจะกแก้กรรมของตนทำความวิปลาสมาเป็นผู้อยู่ในอริยธรรมที่เป็นความประเสริฐตรงตามความจริงแท้ได้เป็นโลกุตระธรรมสำเร็จบริบูรณ์สูงสุดได้